บทสรุปแม่เจ้าทั้งหลายธรรมคือนิสกี้ยาปาจิตตีสามสสิกขาบทข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วข้าพเจ้าขอถามแม่เจ้าทั้งหลายในธรรมคือนิสกียาปาจิตตีสามสสิกขาบทเหล่านั้นว่าแม่เจ้าทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สองว่าแม่เจ้าทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สมว่า แม่เจ้าทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือแม่เจ้าทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วในธรรมคือนิสกิยาปาจิตติสาสิสิกขาบทเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้นิสกิยกันในพิคุณีวิพังจบ